อะไรก็ดีเพราะเหตุที่นิยามทั้งสองนั้นคือสมมตินิยามกับกรรมนิยามมีแง่ที่สัมพันธ์กันดังกล่าวมาแล้วโดยลาดับตั้งแต่ในข้อที่หนึ่งดังนั้นผู้ปฏิบัติถูกต้องในแง่ของกรรมนิยามคือทำตามหลักกุศลก็อาจประสบปัญหาจากสมมตินิยามที่ขัดแย้งนั้นได้เช่นผู้ที่อยู่ในสังคมที่ชื่นชอบการเสพสิ่งมึนเมาแต่ไม่ยอมเสพด้วย เขาย่อมได้รับผลตามกรรมมิยามคือไม่เสียคุณภาพจิตที่โปร่งผ่องใสไปเพราะเหตุจากของเหมานั้นก็จริงแต่ในแง่สังคมซึ่งต่างหากจากกรรมมิยามเขาอาจถูกเย้ยหยันล้อเลียนเช่นว่าไม่เข้มแข็งหรือถูกมองในทางไม่ดีในแง่สังคมอย่างอื่นอื่นอีกและแม้ในแง่ของกรรมนิยามเองเขาอาจประสบปัญหาจากเจตนาฝ่าฝืนข้อนิยมนี้ของสังคม อย่างที่กล่าวในข้อหนึ่งเกิดความขัดแย้งในทางจิตใจซึ่งจะมากน้อยเพียงใดแล้วแต่ปัญญาที่จะปลดปลื้องจิตของเขาสังคมเจริญแล้วที่คนทั้งหลายมีปัญญามักได้อาศัยประสบการณ์ซึ่งได้สะสมมาของมนุษย์รุ่นเก่าๆได้เรียนรู้ว่าอะไรเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจของมนุษย์อย่างแท้จริงอะไรไม่เกื้อกูล แล้วมรรคบัญญั right. ติกฎเกณฑ์ก็กำหนดเกี่ยวกับความดีความชั่วฝ่ายสมมติยามให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมนิยามความสามารถบัญญัติหลักความดีความชั่วในฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักกุศลและอกุศลในฝ่ายกรรมนิยามหรือพูดให้สั้นว่าความสามารถบัญญัติหลักฝ่ายสังคมให้สอดคล้องกับหลักฝ่ายกรรมนิยามนี้ น่าจะเป็นเครื่องวัดถึงความเจริญที่แท้จริงหรืออารยธรรมของสังคมนั้นอย่างหนึ่งโดยในยะนี้เมื่อมีปัญหาจะต้องวินิจฉัยข้อบัญญัติเกี่ยวกับความดีและความชั่วน่าจะพิจารณาเป็นสองขั้นคือพิจารณาในแง่สมมตินิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นไปเพื่อผลดีเช่นช่วยให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคมหรือไม่ชั้นหนึ่ง และพิจารณาในแง่กรรมนิยามว่าข้อบัญญัตินั้นเป็นกุศลหรือไม่คือเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่อีกชั้นหนึ่งข้อบัญญัติบางอย่างแม้สังคมจะยึดถือกันมานานแต่แท้จริงแล้วไม่เกื้อกูลเลยแม้ในแง่สมมตินิยามส่วนในแง่กรรมนิยามเป็นอันไม่ต้องพูดถึงข้อบัญญัติเช่นนั้นสังคมพึงตกลงกันยกเลิกเสีย หรืออาจต้องอาศัยผู้มีปัญญาที่ใจบริสุทธิ์กรอบด้วยกรุณามาชักนำเช่นที่พระพุทธเจ้าทรงกระทาต่อประเพณีเกี่ยวกับการบูชายันและวันนะสี่ของสังคมอินเดียเป็นต้นในกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าข้อบัญญัตินั้นเกื้อกูลในแง่สังคมจะช่วยให้เกิดความเจริญแก่หมู่มนุษย์แต่ไม่สอดคล้องกับหลักแห่งกุศลธรรมตา ม, ตามกรรมนิยามกรณีเช่นนี้ ควรจะตั้งข้อสงสัยว่าบางทีคนอาจหลงผิดมองเห็นสิ่งที่ไม่เกื้อกูลแก่สังคมอย่างแท้จริงว่าเป็นสิ่งเกื้อกูลก็ได้คืออาจหลงพอใจในความเจริญก้าวหน้าที่ผิดผิดเป็นที่ชื่นชมหน้าพอใจในเวลาสั้นๆแต่ก่อโทษในระยะยาวสิ่งที่เกื้อกูลแท้จริงน่าจะสอดคล้องกันทั้งในแง่สมมตินิยามและในแง่กรรมนิยามมีหลักทั่วไปว่า สิ่งที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจมักเกื้อกูลอย่างเป็นกลางกลางคือเมื่อเกื้อกูลแก่ชีวิตหนึ่งก็เกื้อกูลแก่ชีวิตทั้งหมดเรื่องนี้เพึ่งเห็นบทเรียนจากการสร้างความเจริญด้านกายภาพมนุษย์มุ่งหวังความเจริญรุ่งเรืองทางวัตถุเข้าใจว่าความมีวัตถุพรั่งพร้อมสะดวกบริบูรณ์จะนามาซึ่งประโยชน์สูงสุดแก่สังคมมนุษย์ จึงได้เพียรพยายามสร้างสรรความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุมากมายพร้อมกับทำลายชีวิตและสภาพชีวิตต่างๆที่เห็นว่าขัดขวางความเจริญของตนจนในที่สุดก็ได้ทราบว่าการกระทำของตนมีหลายส่วนที่ได้เป็นไปด้วยความหลงผิดแม่สังคมจะดูคล้ายเจริญก็จริงแต่ได้ก่อพิษภัยแก่ชีวิตด้านร่างกายเป็นอันมากจนถึงกับว่า ถ้าขืนก้าวหน้าในลักษณะเดิมต่อไปอาจกลายเป็นการดําเนินสู่ความพินาศเสื่อมสูญก็ได้พึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางวัตถุชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านกายฉันใดก็พึงสร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าทางสังคมชนิดที่ไม่เป็นพิษเป็นภัยแก่ชีวิตด้านจิตปัญญาฉันนั้นในการวินิจฉัยว่าอะไรเป็นความดีอะไรเป็นความชั่วนี้เมื่อพูดในทางปฏิบัติ เพื่อให้คนทั่วไปใช้ประโยชน์ได้ทุกระดับพระพุทธเจ้าตรัสสอนให้ถือข้อพิจารณาเกี่ยวกับกุศลและอกุศลเป็นหลักแกนกลางจากนั้นทรงผ่อนขยายออกไปให้หนึ่งใช้สำนึกเกี่ยวกับความดีความชั่วของตนเองอย่างที่เรียกว่ามโนธรรมและสองให้ถือมติของผู้รู้เป็นหลักประกอบหรืออ้างอิง สองอย่างนี้เป็นฐานของฮิริโอต ป, ปะนอกจากนั้น 3. ให้พิจารณาที่ผลของการกระทำอันจะเกิดแก่ตนเองและแก่ผู้อื่นหรือแก่บุคคลและสังคมการที่ตรัสเช่นนี้คงจะเป็นด้วยว่าคนบางคนยังมีปัญญาไม่กว้างขวางลึกซึ้งเพียงพออาจมองเห็นภาวะที่เป็นกุศลและอกุศลไม่ชัดเจน จึงให้ถืออามาติของท่านผู้รู้เป็นหลักประกอบด้วยและถ้ายังไม่ชัดพอก็มองดูง่ายๆจากผลของการกระทำแม้แต่ที่เป็นไปตามบัญญัติของสังคมสําหรับคนทั่วไปการพิจารณาด้วยหลักทั้งสามคือหนึ่งใช้มโนธรรม 2. ให้ถือมติของผู้รู้และ 3. พิจารณาผลของการกระทำนี้ถือได้ว่าเป็นวิธีการตรวจสอบหลา ย, ลายชั้น เพื่อให้การวินิจฉัยเป็นไปอย่างรอบครอบโดยสรุปเกณฑ์วินิจฉัยกรรมดีและกรรมชั่วมีว่าในแง่ของกรรมให้ถือเอาเจตนาเป็นหลักตัดสินว่าเป็นกรรมหรือไม่และในแง่ที่ว่ากรรมนั้นดีหรือชั่วให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์สี่ข้อซึ่งแบ่งเป็นเกณฑ์หลักหนึ่งข้อและเกณฑ์ร่วมอีกสามข้อดังนี้ข้อแรกนี้เป็นเกณฑ์หลัก คือข้อหนึ่งตัดสินด้วยความเป็นกุศลหรือเป็นอกุศลโดยหนึ่งจุดหนึ่งพิจารณามูลเหตุว่าเป็นเจตนาที่เกิดจากกุศลมูลคืออโลภะอโทสะอโมหะหรือเกิดจากอากุศลมูลคือโลภะโทสะโมหะหนึ่งจุดสองพิจารณาตามสภาวะว่า เป็นสภาพเกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่ทำให้จิตสบายไร้โรคปลอดโปรง่งผ่องใสสมบูรณ์หรือไม่ส่งเสริมหรือบันรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตช่วยให้กุศลธรรมอันเป็นสภาพเกื้อกูลทั้งหลายจเจริญงอกงามขึ้นอกุศลธรรมทั้งหลายลดน้อยลงหรือทำให้กุศลธรรมลดน้อยลงอกุศลธรรมจเจริญงอกงามขึ้นตลอดจนมีผลต่อบุตเล็กภาพอย่างไร 3. ข้อหลังต่อไปนี้เป็นเกณฑ์ร่วมคือ 2. ใช้มโนธรรมคือความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองพิจารณาว่าการที่กระทานั้นตนเองติเตียนตนเองได้หรือไม่เสียความคารบตนหรือไม่ข้อ 3. พิจารณาความยอมรับของวินยูหรือนักปราดหรือบัณฑิตชนว่าเป็นสิ่งที่วินยูยอมรับหรือไม่ ชื่นชมสรรเสริญหรือตำหนิตีเตียนข้อ4พิจารณาลักษณะและผลของการกระทำทั้งต่อตนเองและต่อผู้อื่นว่ากอเป็นการเบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นทำตนเองหรือผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่ขอเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขหรือเป็นไปเพื่อโทษทุกข์ทั้งแก่ตนและแก่ผู้อื่น หลักเกณฑ์นี้อาจสรุปได้อีกแนวหนึ่งด้วยสำนวนแสดงการจัดประเภทของเกณฑ์ที่ใช้ตัดสินแต่มีข้อที่ต้องทำความเข้าใจกันไว้ก่อนบางอย่างกล่าวคือประการที่หนึ่งให้ถือว่าการพิจารณาในแง่ของกุศลมูลอกุศลมูลและกุศลอกุศลนั้นว่าโดยสาระเป็นอันเดียวกัน คือมุ่งพิจารณาความเกื้อกูลหรือไม่เกื้อกูลต่อคุณภาพของชีวิตจิตใจอีกประการหนึ่งการยอมรับหรือไม่ยอมรับของปราชการติเตียนหรือสรรเสริญของวินยูนั้นเมื่อมองอย่างกว้า ง, างหรือมองในระดับสถาบันและเมื่อว่าโดยส่วนใหญ่มติของวินยูหรือปราชจะปรากฏอยู่ในรูปของบัญญัติทางศาสนาบ้าง ขนบธรรมเนียมประเพณีบ้างกฎหมายบ้างเป็นต้นแม้ว่าบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ไม่จำต้องเป็นมติของวินยูเสมอไปและการปฏิบัติที่ขัดแย้งแปลกออกไปจากบทบัญญัติและสิ่งที่ถือตามกันมาเหล่านี้ก็ไม่จำต้องเป็นข้อที่วินยูติเตียนเสมอไปแต่ก็พอจะพูดได้ว่าส่วนที่แตกต่างนี้เป็นข้อยกเว้นซึ่งก็เป็นกิจของวินยูนั่นแหละ ที่จะต้องหมั่นสอบสวนตรวจตราในเรื่องเหล่านี้ในแต่ละการแต่ละสมัยแต่ละครั้งแต่ละคราวเรื่อยๆไปจึงมักมีพุทธพจน์ตรัสสำทับว่าอนุวิจจวินยูแปลว่าวินยูใคร้ครวญแล้วจึงติเตียนหรือสรนเริญคือยอมรับหรือไม่ยอมรับและจะเห็นว่าวินญูนี่แหละเมื่อใกล้ครวญแล้ว ก็ได้เป็นผู้ทำการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสิ่งที่ยึดถือปฏบิบัติบัญญัติกันมาผิดผิดหรือเคลื่อนคลาดจากความหมายที่ถูกต้องเช่นพระพุทธเจ้าทรงติเตียนไม่ยอมรับระบบวันณะและการบูชายั์เป็นต้นเมื่อทำความเข้าใจกันอย่างนี้แล้วก็สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วหรือกรรมดีกรรมชั่วทั้งตามแนวกรรมนิยามล้วนและกรรมนิยามที่สัมพันธ์กับสมมนิยาม ทั้งโดยสภาวะและโดยคุณค่าซึ่งเป็นคุณค่าโดยสภาวะบ้างคุณค่าตามที่กำหนดให้บ้างได้อีกสำนวนหนึ่งมีสาระอย่างเดียวกับข้อสรุปข้างบนนั่นเองแต่จัดจำแนกข้อต่างกันมีใจความคาบเกี่ยวกันดังนี้สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อหนึ่งว่าโดยคุณโทษต่อชีวิต หรือคุณโทษต่อจิตใจและบุคลิกภาพคือเป็นสภาวะที่เกื้อกูลแก่ชีวิตจิตใจหรือไม่เอื้อหรือไม่ต่อคุณภาพชีวิตส่งเสริมหรือบั่นรอนคุณภาพและสมรรถภาพของจิตทำให้กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมทั้งหลายอื่นลดถอยหรือเจริญงอกงามช่วยสร้างเสริมบุคลิกภาพที่ดีงามหรือไม่ สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ2ว่าโดยคุณโทษต่อบุคคลคือเป็นการเบียดเบียนตนหรือไม่ทำให้ตนเดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยประโยชน์สุขที่แท้จริงแก่ตนข้อสองนี้ต่างจากข้อหนึ่งในแง่ที่มุ่งถึงผลซึ่งบุคคลจะได้ประสบในระดับแห่งวิถีชีวิตโดยเฉพาะความสุขความทุกข์ ความเจริญและความเสื่อมเสียหายอย่างเห็นเห็นซึ่งบุคคลอาจไม่รู้จักไม่เข้าใจชีวิตจิตใจของเขาเองด้วยซ้ำสรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ3ว่าโดยคุณโทษต่อสังคมคือเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นหรือไม่ทำผู้อื่นให้เดือดร้อนหรือไม่เป็นไปเพื่อทำลายหรืออำนวยะโยชนะสุขแก่ผู้อื่นและแก่ส่วนรวม สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ4่ว่าโดยมโนธรรมหรือโดยสำนึกอันมีตามธรรมชาติของความเป็นมนุษย์คือพิจารณาเห็นด้วยความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของตนเองว่าการนั้นเมื่อทำแล้วตนเองติเตียนหรือกล่าวโทษตนเองได้หรือไม่สรุปหลักเกณฑ์ตัดสินความดีความชั่วข้อ5ว่าโดยมาตรฐานทางสังคม คือตามบัญญัติทางาศาสนาวัฒนธรรมประเพณีและสถาบันต่างๆทางสังคมเช่นกฎหมายเป็นต้นซึ่งขึ้นต่อการใคร่ครวญตรวจสอบกลั่นกรองของวินยูทั้งหลายตามกาลสมัยที่จะไม่ให้ถือกันไปโดยงมงายหรือผิดพลาดคลาดเคลื่อนตลอดจนการใคร่ครวญแล้วยอมรับหรือไม่ของวินยูเหล่านั้นในแต่ละกรณี